คอลัมน์สัพเพเหระธรรมตอนความรักกับความเหงาโดยเพนกวิน2004มีน้องสองคนมาชักชวนให้ร่วมเขียนเรื่องสำหรับส่งไปลงในธรรมะใกล้ตัวคนแรกให้หัวข้อความรักคนถัดมาให้หัวข้อเรื่องความเหงาผมบอกคนหลังว่าสำหรับผมแล้วทั้งสองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันที่พูดออกมาจากสองมุมนั่นเอง ลองมาดูกันครับว่าสองอย่างเนี้เป็นเรื่องเดียวกันไหมและอย่างไรตลอดจนมีความเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาอย่างไรขอเข้าเรื่องด้วยการยกสิ่งที่สังเกตได้ล่าสุดจากเว็บแห่งหนึง่งที่ผมแวะไปบ่อยๆมาประมาณสี่ปีเห็นได้ชัดเจนว่าปีแรกที่เข้าไปคือราวปี2545ชื่อกระทู้ช่วงนั้นไม่มีคำประเภทเหงาเหงาจังอกหัก แฟนทิ้งเป็นโสดปะปนอยู่ในชื่อกระทู้ให้เห็นเลยแต่มาในช่วงปี2549ที่ผ่านมาเปิดทีไรเป็นต้องเจอกระทู้ที่มีคาว่าเหงาปรากฏให้เห็นในหน้าแรกของเว็บบางครั้งมีสากระทู้ในหน้าแรกซึ่งสิ่งที่ผมมักจะทำทันทีถ้าขณะนั้นพอมีเวลาก็คือเข้าไปออกความคิดเห็นสั้นๆทันทีว่าให้ไปหาคำตอบที่เว็บไซต์ดังกลิ .com ซึ่งเท่าที่ติดตามอ่านดูเจ้าของกระทู้ก็มักจะหายเงียบไปเลยจนไม่ได้ข้อมูลต่อเนื่องว่าเมื่อไปอ่านแล้วเขาเหงามากขึ้นหรือน้อยลงกันแน่เคยตั้งใจค้นหาคำตอบกันบ้างไหมครับว่าความรักคืออะไรและความเหงาคืออะไรความรักเกี่ยวข้องกับความเหงาอย่างไรทำไมจึงเหงาเหงามากขึ้นเมื่อไรเหงาน้อยลงเมื่อไรหายเหงาเมื่อไร มีใครบ้างที่ไม่เหงามีใครบ้างไม่ต้องการความรักที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างฐานะหาเงินทองหาคนรักไปเรียนหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเรียนการแต่งตัวให้ดีให้คนชื่นชมทำผมแต่งหน้าหรือผ่าตัดเสริมหล่อเสริมสวยไม่ว่าส่วนใดในร่างกายเกี่ยวข้องกับความเหงาหรือไม่อย่างไรจากที่เห็นและมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนรอบๆตัวมาหลายร้อยกรณีเป็นเวลาหลายปีสรุปได้ว่าคนที่กำลังเหงาถ้าได้รับความรักแล้วจะหายเหงาส่วนคนที่ไม่เหงาก็ไม่ค่อยเห็นว่าความรักจะสำคัญถึงขนาดขาดไม่ได้เหมือนคนที่กำลังเหงาจับจิตอารามพบทมาพอแก่การระลึกถึงความเหงาของผู้อ่านแล้ว คราวนี้ขอแจกแจงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากทั้งครูบาอาจารย์และจากสิ่งที่ประสบมาว่าความเหงาคือความอยากรู้ว่าเรามีตัวตนครับและวิธีดับเหงามีสองวิธีวิธีที่หนึ่งนั้นเป็นการดับแบบชั่วคราวคือหาสิ่งกระทบประสาทสัมผัสในวงเล็บตาหูจมูกลิ้นกายวงเล็บปิดที่แสดงว่าเรามีตัวตน โดยเฉพาะการที่มีคนอื่นมาให้ความสำคัญกับเราซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าความรักคำบอกรักอา ก, การแสดงความรักไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำจากคนรักนั่นเองซึ่งวิธีพื้นพื้นก็เช่นการกินดื่มดูหนังสุบุรีอ่านหนังสือกระหน่าทำงานนี่ก็เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนซึ่งจะช่วยดับความเหงาลงได้ และวิธีที่สองที่นำไปสู่การดับความเหงาอย่างถาวรคือการเฝ้ารู้เฝ้าดูสิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเพื่อทำความรู้จักกับมันอย่างชัดเจนและท่องแท้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราได้ตลอดไปโดยไม่สูญหายจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงความเข้าใจผิดยึดถือผิดของเราเองโดยไม่ยอมเปิดใจรับความเป็นจริงและสุดท้าย เฝ้าดูไปจนกว่าจะรู้ว่าความเป็นตัวเป็นตนความยึดว่าเป็นของเรานั้นโดยแท้จริงแล้วนั้นนำมาซึ่งสุขหรือทุกข์กันแน่คนที่เหงาแม้อยู่ท่ามกลางฝูงชนเช่นในคอนเสิร์ตแต่ไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจเขาก็เหงาได้ในทางตรงกันข้ามการอยู่กับคนที่มั่นใจเชื่อใจจากความเห็นชัดแล้วว่ารักเขาอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพียงสองคนกลางป่าลึกแม้คนรักนั้นจะออกไปหาอาหารวันสองวันก็ไม่รู้สึกเหงาเพราะรู้สึกถึงความรักนั้นอยู่เรียกว่าใจมีเครื่องอยู่อันเป็นความรักความเมตตาจากคนรักของเขานั่นเองคนที่เหงาเมื่อได้รับความรักความใส่ใจจะมีความสุขความสดชื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คนที่ไม่เหงาหรือคนที่ได้รับความรักมากอยู่แล้ว แม้จะได้ความรักเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษและอาจจะรำคาญเสียด้วยซ้ำที่ไปยุ่งกับเขามากเกินไปกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงใจของคนเหงาอันเป็นใจซึ่งไม่มีที่อยู่จึงสแสวงหาที่อยู่ที่พักใจกับอีกใจหนึ่งซึ่งมีที่อยู่อยู่แล้วจึงไม่ได้สแสวงหาแม้จะมีที่อยู่ใหม่มาเสนอให้ก็ไม่ได้ดีใจเพราะไม่ได้สแสวงหา ไม่เหมือนกับใจที่ยังเหงายังแสวงหาที่อยู่ที่พักที่เมื่อได้รู้ว่าจะได้ที่อยู่ที่พักใจก็ย่อมจะสงบลงไปได้เพราะใจหยุดแสวงหาและความสงบลงนั่นเองที่เป็นเหตุของความสุขใจที่สงบลงจากความหวังว่าจะได้ที่อยู่ที่พักซึ่งหมายถึงการมีคนมาจีบอันนำให้เกิดความหวังว่าจะได้ที่พักหรือนาไปสู่ความเห็นว่าตนเองมีความสาคัญ คือมีตัวตนขึ้นมาจึงสงบลงเพราะการหยุดสแสวงหาชั่วคราวนั้นเป็นลักษณะของการสงบลงจากความหวังยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและแม้จะได้ตกลงเป็นแฟนกันจริงๆไปแล้วก็เป็นการสมมุติว่าเป็นแฟนกันตั้งอยู่บนสัจจะและความซื่อตรงของคู่สัญญาที่ทำความตกลงกันนั้นซึ่งทั้งหมดนั้นก็ยังตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน เพราะคนที่ทําความตกลงนั้นยังสามารถเปลี่ยนใจได้หรืออาจจะล้มหายตายจากกันไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีใครสามารถระบุหรือกําหนดวันตายของตนเองและคนรอบตัวได้ซึ่งทุกคนก็รู้แน่ว่าตนเองและทุกคนรอบๆตัวจะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งกลับมาเรื่องความรักกันบ้างอันที่จริงในพุทธศาสนาไม่ได้นิยามเรื่องความรัก แต่ที่ใกล้เคียงที่สุดกับความรักก็คือพรมวิหารธรรมอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งในความเมตตานั้นก็จำเป็นจะต้องมีอุเบกขาจึงจะเป็นเมตตาที่แท้จริงถ้าไม่มีอุเบกขาก็ไม่ใช่เมตตาเพราะพร้อมจะพลิกไปกลายเป็นเหตุแห่งทุกข์ของผู้นั้นได้เสมอเมื่ออ้างอิงถึงเมตตา ก็ควรลงรายละเอียดสักเล็กน้อยว่าเมตตานั้นหมายถึงเจตนาอันจะให้ผู้อื่นเป็นสุขคือเป็นบวกซึ่งต่างจากกรุณาอันหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นคนจากทุกข์คือจากติดลบเป็นศูนส่วนมุทิตานั้นหมายถึงความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีซึ่งผู้ที่มีมุทิตาย่อมมีความสุขแม้เพียงได้เห็นหรือได้รับทราบว่ามีผู้ใดเป็นสุข เขียนมาถึงตรงนี้เกิดระลึกถึงใจความส่วนหนึ่งของข้อความในนิยายจีนกำลังภายในที่เคยผ่านตามาคือ r i ธิ์มีดผู้แต่งคือโกเล n g ส่วนผู้แปลคือนนพนภรัตว่าคนที่อยากตายนั้นจะไม่อยากตายอีกต่อไปเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นและคนจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ก็โดยการทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มกาลังความสามารถ ซึ่งคนเช่นนั้นจะไม่รู้สึกอยากตายเลยซึ่งพอแปลได้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายหรืออยากตายนั้นต้องไม่ใช่คนที่ทุ่มเททำประโยชน์กับส่วนรวมด้วยเจตนาเพื่อให้แต่เป็นผู้ที่มีนิสัยเรียกร้องพูดสั้นๆคือเสพมากกว่าสร้างนั่นเองย่อหน้าข้างบนเชื่อมโยง ก, กันกับคำพูดที่พูดต่อๆกันมาให้ได้ยินเสมอเสมอ ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดที่ว่าต้องรักตนเองเป็นเซก่อนจึงจะสามารถรักผู้อื่นเป็นสิ่งที่ขอเสริมในประเด็นนี้ก็คือคนจะรักตนเองเป็นนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นคือรู้จักการให้ด้วยพรหมวิหารธรรมคือให้หรือทำสิ่งต่างๆให้ด้วยเจตนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขพ้นทุกข์รวมทั้งเป็นผู้ที่พลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีเท่านั้นซึ่งผู้ที่มีพรหมวิหารธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถรักผู้อื่นเป็นคือรักโดยไม่ก่อทุกข์กับตนเองและไม่ก่อทุกข์กับผู้อื่นด้วยที่กล่าวมาก่อนหน้าเป็นเรื่องของความรักที่เชื่อมโยงกับเรื่องทางธรรมอธิบายด้วยธรรมถัดจากนั้นสิ่งที่ควรแก่การกล่าวถึงก็ควรจะเป็นความรัก และการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ซึ่งสิ่งที่จะนำเสนอในที่นี้ก็คือความรักและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งดูจะเป็นความปรารถนาของคนในโลกแทบทุกคนซึ่งปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนสองคนอย่างยั่งยืนนั้นก็คือความสมดุลในความสัมพันธ์ซึ่งความสมดุลนี้หมายถึงการที่ทั้งสองฝ่ายทาสิ่งต่างๆเท่าๆกัน โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบกอยู่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งปัญหาหลักระหว่างคนสองคนที่จะมาอยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้อยู่ที่ความสุขที่เกิดจากการอยู่ร่วมหากจะเกิดจากความขัดแย้งซึ่งเมื่อความขัดแย้งเกิดสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาเพื่อสะสางความขัดแยง้งก็คือการปรับตัวเข้าหากันซึ่งการปรับตัวเข้าหากันนี่เองที่เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่าย ต้องช่วยกัน ร, รักษาให้เกิดความสมดุลกล่าวให้ชัดเจนก็คือทั้งสองฝ่ายจะต้องปรับตัวคนละครึ่งและต้องไม่ปล่อยปละละเลยต่อการรักษาให้การปรับตัวของทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาพฉันครึ่งเธอครึ่งอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ปล่อยหรือเรียกร้องให้อีกฝ่ายปรับโดยที่ตนเองไม่ยอมปรับเลยการปรับอยู่เพียงฝ่ายเดียวรวมไปถึง การยอมปรับอยู่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นความไม่สมดุลและความไม่สมดุลที่เกิดจะนําไปสู่ความแตกแยกในที่สุดอันเป็นความแตกแยกจากความไม่เสมอภาคเพราะฝ่ายที่ยอมปรับตัวนั้นคือฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงไปมากเข้าจากเดิมที่เหมาะสมกันอยู่ก็จะค่อยๆกลายเป็นไม่เหมาะสมกันทีละเล็กละน้อยจนในที่สุดเมื่อความเหมาะสมกันหมดลง ความรู้สึกรักใคร่ใยดีก็จะหมดลงไปด้วยเพราะความรักใคร่ใยดีระหว่างกันนั้นเกิดจากความสมกันหรือเสมอกันของสี่ปัจจัยคือศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันปัญญาเสมอกันและจาคะเสมอกันโดยผู้ที่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพียงฝ่ายเดียวนั้นคือผู้ที่จะได้พัฒนาจาคะและปัญญาของตนให้มากขึ้นทุกครั้งไปนั่นเอง ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พัฒนาหรือได้พัฒนาน้อยมากเพราะไม่ยอมวางและไม่ยอมพิจารณาเหตุของความขัดแย้งนั่นเองถัดจากนั้นขอแจกแจงความหมายของศีลศรัทธาปัญญาและจารคะว่าศรรีลหมายถึงเจตนาจะละเว้นการละเมิดผู้อื่นศรัทธาหมายถึงความเชื่อโดยปราศจากการพิสูจน์ปัญญาหมายถึง ระดับความรู้ชัดรู้แจ้งในสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกและสุดท้ายจาคะคือความเสมอในการสละออกปล่อยวางยอมละทิ้งและทั้งสี่ปัจจัยนี้เป็นธรรมที่ผู้ที่จะอยู่ร่วมกันต้องมีเสมอกันซึ่งเมื่อมีเสมอกันจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกรักใคร่อยดีจากใจจริงต่อกันนั่นเอง สรุปโดยย่อก็คือความเหงาเป็นต้นเหตุของการสแสวงหาและการสแสวงหาหรืออาการทยานอยากในวงเล็บตันหาก็คือเหตุของความทนอยู่ได้ยากหรือทุกข์ทั้งปวงและความเหงาสามารถดับด้วยการเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ที่ความเป็นตัวเราหรือที่เรียกว่ารู้ตัวหรือสัมปะช ญ, ญะไปจนกว่าจะเห็นความจริงว่าโดยแท้แล้ว ความเป็นเรานั้นคือกายนี้หรือไม่คือเวทนานี้หรือไม่คือจิตนี้หรือไม่หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราคือเราหรือไม่ซึ่งความเห็นที่ได้จากการเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ที่ความเป็นเรานี่เองที่เราทําให้จิตเริ่มรู้จักการปล่อยวางและรู้จักอุเบกขาซึ่งไม่ใช่การวางเฉยไม่ลงมือทํา แต่เป็นการกระทําด้วยจิตที่เป็นกลางทำด้วยเมตตาด้วยกรุณาโดยที่ผู้กระทําไม่ทุกข์ไม่ว่าผลจะออกมาตรงกันข้ามกับที่หวังเมื่อเป็นเมตตาและกรุณาที่มีอุเบกขาแล้วมุทิตาจะเกิดตามมาเองและเมื่อมีมุทิตาแล้วก็เสมือนหนึ่งมีแหล่งกำเนิดอ น, นิสง์ภายในโดยไม่ต้องลงมือกระทานั่นเอง เพียงพลอยยินดีกับผู้ได้ดีหรือทำดีใจก็สงบร่มเย็นและเป็นกุศลโดยไม่ต้องออกแรงเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ร้อนจะเกิดได้อย่างไรเมื่อใจมีอุเบกขาเป็นภูมิคุ้มกันทุกจากความผิดหวังมีสัมปะชัญญะเป็นสายตาเฝ้าระวังเส้นทางมีปัญญาเป็นแสงสว่างไม่ให้เดินหลงออกนอกทาง จเจริญในธรรมครับเพนกวิน2004ตอนที่แท้ วันนี้เธอไม่เงาฉันก็เลยไม่มีความ